พระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าคิดมากกว่าบุตุชนพระอริยะเจ้าอยู่ด้วยสติสติของท่านแก่กล้าสติมันจะคอยจ้องอยู่เสมอทีนี้ความคิดอ่านหรือความคิดอะไรต่างๆนี่ความคิดของพระอริยะเจ้าหรือของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งมากกว่าสามัญชนธรรมดา อย่างคำพีพระไตรปิฎกเป็นตัวบาลี45เล่มหนาขนาดนี้นักปราชญ์ท่านยังกล่าวว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเก็บได้อย่างมากเพียง 10% ที่เราเก็บไม่ได้นี่ 90% แสดงว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์มีความคิดมากแต่ท่านสักว่าแต่เป็นกิริยาจิตเท่านั้นการทาการพูดการคิดอะไรก็เป็นแค่เพียงสักว่ากิริยา พระอาหารหันต์เข้าสังคมท่านก็หัวเราะเป็นแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่เคยหัวเราะถ้าหัวเราะขึ้นมาที่ไรล่ะก็พระอานนุ์ก็ต้องถามว่ามีเหตุอะไรถ้ายิ้มยิ้มออกมาพระอานุ์จะถามว่ามีเหตุอะไรถ้าพระองค์ทรงยิ้มก็แสดงว่าจะมีใครสักคนหนึ่งโดนบาปกรรมอย่างหนัก